ระราชนาฏัยเป็นขั้งแรกที่ได้จับไม้ขอโท ษ, โทษหลายๆบ่เคยชักเถื่อในชีวิตนี้ขั้งแรกแล้วก็ขอน้ำพสการท่านอาจารย์เขียนผู้เป็นเจ้าอวาดวาดัดแล้วก็หลวงพ่อมหาดิเรกพร้อมด้วย พาส่งทุกอาทุกองค์ขน้อยหากขน้อยเฝ้าผิดพลาดประการใดก็ขอหูวซิกรรมอาจที่บได้ตั้งเจตนาแต่เฝ้าไปอย่างผิดพลาดก็ขอหูสซกรรมขน้อยและก็ขอฮัตเพลงนั้นญาติธรรมว่ดทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมนี่ เบิ่งก็ะหู้แล้วว่าเป็นภูมิบุญโมทุกคนจึงได้มาพ่อสายนี่ขน้อยพ่อว่าขน้อยซีเบ้ามาหาแต่ตัวเองพราะว่าขน้อยเห็นเป็นภูมิภูมิจิตภูมิธรรมน้อยอายุกะน้อยแล้วกับบุญจกักงานท่นซิเบ้าก็ได้หาก็มาโพสนี่แหละหลวงพ่อมหาดิเลกเพิ่นมาโพดตอนบ้านญาลุงบุญนี้เพิ่นจัดรีทรียตคืนตอนต่ำอีทขาน้นอยเห็นเกิดมาในครอบครัวที่วบบ ไปคิดธรรมะอยู่ตลอดหกเจ็ดปีพ่อแม่พักเขาวัดตลอดบุญยังก็ต้องได้ไปตักบาตรไปน้ำพอน้ำเมไปจนไปวัดสินหานี่เ่าได้ขะปากถามเพื่อนมาแเตว่าจังใดแล้วก็ย่านแท้ๆตกหมอนหลุตกอเวจีนี่จือ่อพันเห็นหูแนวนั่นแนวนี้พันแต้มไม้กรดียู่อันนั่นนะ่ะมันเห็ุใดให้ใจเฮาย่านแต่ว่ามันเป็นย่านที่แบบว่า ญาติตกนลกแต่ว่าใจมันเอาอยู่ได้มันคึกคืมอยู่แต่ว่าแบบว่าคือตำรวจญาติกนระเบียบเนี่ยแหละกระเบิ้งอยู่บัตรมาเท่ๆแล้วบัดมาหอดเท่ๆแล้วมือหนึ่งแม่เท่ามอนคานอยเสียไผกันิฮู้อหลรแซนดิโกนี่ตอนนั้นคน้อยอายุได้ห้าสิบปีพอว่าพอปูเม่ยคาน้อยหันตายตาย่อยคานอยบนทันเกิดพอเท่าก็ตายแต่ต่อคานอยบวเกิดบัตรมาเจอแม่เท่าตาย มเมถมวลนีเลี่ยงขน้อยมาตั้งแต่น้อยนอนน้ำเพลินอยู่น้าเพลินแต่งงานแล้วก็ยังมีมเมถมวลอยู่บ้านสัมปปรินขาคู่กันที่สุดแหละเสียดอย่างนี้แปลว่าเแบบวัดต้องเห็นว่าเห็นเม่ถมวลซิซอยดอกเพราะนก็นได้ขาคู่ดีได้แบบนี้ขาคู่คนตายเลี่ยงมาหาสิบ ป, ปีขน้อยบอกเคยพ่อความตายจากเถื่อในชีวิตมาพ่อละป้าโทรผู้ใดบอพ่อความผัดภาคจากกันนี้มันทุกทรมานอย่างที่โบมีผู้ใดซีหูจากเลยแปลว่า กายกับใจบยูยรวมกันเลยสิไปตลาดนี่ไปยูห้านอาหารเอามาเห็นอย่างยู่นี้เสนุอเสลอโอ้หิวข่าหรือยังบูหูเมื่อได้เออกรไปบอลหันบอล น, นี่เป็นเพราะว่าพวกลงไครแต่รถบอแอัคคีเดนขี่ไปกันยานไปหั่นไปนี่บูมีพลอดซิฮู้จากน้าดอกนางขี่รถไปนี่คึกถึงคว่ำที่ว่ายูกันกับเมเท่าแบบใหนแลน้วน้ําตาในย้อยไห้ให้ใหอันใดคําทุกคํายากเดยที่ฟังมาก็ว่าถือเขาหมด ผู้ใดผู้ทุกทุกที่สุดในชีวิตเถอะนะหักบุหูจักว่าเสีเอาอยังออกจากทุกจากใจตัวเองได้จนเมื่อหนึ่งหมดแรงหมดเหี่ยวหมดแหงแล้วไปเที่ยวเวเคิเช่นมาตัวแม่เระบอกว่าเบ๋ยเปิดธรไมายแม่ฟังแดแต่เก่าหันคันแม่ว่าเบอ้ยเปิดธรไมาฟังแดหรือว่ามานางฟังธรรมานั่งกันขน้อยสิว่า <S <S บอขน้อยเสียสเวลาไปทำมหากินแม่เถ่าแล้วฟังซะขน้อยยังมีเวลาโดนอยู่ นี่แหละเป็นคำตอบอยาบ่างว้าเสียดๆหน่อยนึงฮู้ยังใหใจอยู่แต่หลังจากที่เขาเขาจิตใจเขามันทุกข์หลายแล้วนะแม่ว่าเดอ้ยเปิดทํามาให้แม่ฟังแดมาเปิดให้เพิรนฟังบังเอิญจั๊กซิเมนโซกอย่าง ข, งของขน้อยกับบังฮู้ธรรมาตัวนั้นเสพทรณีกันแสงขึ้นมันลมดดุนใส่ใจิตใจเขาที่มีความทุกข์อยู่แล้วนะเห็ุที่ขน้อยนางคุบลงฟังสะ ก, ก่อนเสพแล้วที่ทบ้า อ, อ, อย่างขึ้นมาเพิร์นขึ้นต้นด้วยคําว่า ถ้าว่าเฮานี่ยังถือาศาสนาพุทธอยู่ฮะนะเฮามีทุกแล้วคนผู้นั้นบริถือาศาสนาพุทธคำนี้คืดเห็นมันคักๆข้าขน้อยคำนี้สะดุ้งเลยข้าน้อยนะป้าโถตั้งแต่เจ็ดปีจนท่าอายุห้าสิบปีต่อหน้านข้นน้อยได้ห้สิบเดือนนี้ห้าสิบสามแล้วสามปีให้หลังคือตลอดว่าตัวเองถือาศาสนาพุทธเหตุใดวะพันบาเฮาบูถือาศาสนาพุทธ่าเฮาทุกนี่เหลือใจว่าตัวเองทุกแล้วบมเมนคนถือาศาสนาพุทธ ป้าถกฟังโตไปก่อนฟังไปเมื่อนั้นฟังธรรมะเวลานั้นนะขน้อยกระด้างเลยหนึ่งกบ็บรได้ฟังแบบว่าใจมันน้อมไปเวลานั้นนะ่ะบขน้อยบริขึ้นวาเมนขน้อยฟังเทพหรือกระแสขน้อยขอยึ้นวาพระพุทธเจ้าเนะ่ยยืนอยู่ตนาขน้อยแล้วขน้อยนางฟังคือว่าพันจี้จี้จ้จุดใส่ขน้อยทุกอย่างเล ย, ทยเลยทศไปตามเพื่อนแบบว่าชิดน้อมไปเลยโอ้ เมื่อนั้นมีโสแม่ลูกอยู่น้กากันตู้เมล่ะแล้วเห็นหลักษณะพอเราเคยปฏิบัติธรรมแล้วเห็นนางเบกแขงนางไว้ซสักแล้ววะเราเอาพองมาปุบทบไปแล้วอีตุนะนะั่นละนางฟังธรรมาสมงงึงแล้วโอ้เสียดายที่ว่ามันสุดไวยัยพดโห้ลูกขึ้นมาพดทธถูกออกไปได้น้อยหนึ่งประมาณสิบเปอเซ็นเราโอ้ธรรมะนี่เนาะดีขนาดนี้สนใจได้แบบนี้เวลาข้าน้อยสนใจข้าน้อยต่างผู้อื่นข้าน้อยต้องค้นคั่ว ความความตันหามันยังมีอยู่สิซิซบว่าได้ขนาดนี้หลุดได้เบาขนาดนี้เป็ดฟังเลยลายๆนี่ต้องหลุดไปหลายกว่านี่ความทุกข์นี่มาสันดีโถไป็ดคนขั้วเมื่อไผว่ามาีธรรมะดีๆจู่ใส่ไปโซกมัดโอ้ยตูแม่ก็ดีใจแล้วส่องแม่ลูกเอานางรถไปน้ากันไปโอกมาฟังมันก็ซอยได้สภา ห, หนึ่งมันเป็นเคียงเพียงสูตะมัญญปัญญาคือปัญญาทางฟังเท่านั้น แต่มันเท่ๆมันยังเอาออกจากใจโบได้แล้วเขามาพิจารณานมันก็ได้ไปอีกสักประมาณสิบเปอเซ็นเขาต้องมาคึกได้ว่าโอ้เขาต้องตายคือเพื่อนเขาต้องจังสั้นจังซี่อยู่มันยังโบเป็นธรรมาที่ว่ามันค่ายังมีข้อข้องใจอยู่ขนวยว่าเอ๊มันเป็นจังไหนนาะมันยังโบไปสุดๆมันเถื่อนเศรษจังไดรบางเอื่นว่ามีวัดมาเก็ตผลงกันพวกไม่ข่าว ขน้อยกัไปวัดแล้วได้ต่อหน้าไป็นุงขาวนุงอย่างน้าเพลินแล้วเพิรนมานั่งเบ้เอ้ยเพิรนมีมาปฏิบัติธรรมเนธเจสิไปโบยยังสั่นเจสี่เพิรนเบ้าโอ้ขันเจ้าไปปฏิบัติบั ร, รท่านี่ตายไปเกิดสวรรค์เลยโอ้ฟังเบิงสีสนใจก็มาเว้าครอบครัวมาครอบกันส่วนเอาแม่แม่ไปปฏิบัติธรรมถอดเพิ่์นบาเจ็ดมือก็มาครอบผัวผัวว่าให้เจ้าไปได้สามมือเด้อเจ้าสิไปยันไดเลือกเอา โอ้ยไปว่าวกับพวกเมคขางเมซี่ม่ป้าเอ้ยผัวข้น้อยไปแต่สามมือไปกอนซาข้น้อยชิคอไปลูนเดอข้าน้อยโบกูทีอยู่ได้เพราะว่าใบ ป, ประกาศบบมาถึงมือข้น้อยข้น้อยโบกูทียูเพิ่นประกาปฏิบัติจยใสเออแล้วมีผู่นหนึ่งเพิ่นวะเออทิธาเจ้าดอกนางเบ๋เจ้ามาพ่อกันอยู่วัดเดอมือที่สามเพิ่นวะก็ไปโอ้ยไปฮอด กระนุ่งเครื่องธรรมดาโบานึ่งเครื่องขาวเขาเอาไปอยู่ไปซองเบึงเพื่นใชแหละซองเข้าประตูมาเห็นเพื่อนนางยกมืออยู่โห้ถอยหลังขน้อยแม่ว่าสันธรรมะคือเป็นแบบนี้ไปทเทะเขาเมื่อบ้านเท ว, นนว่าสันเฮ้ยตู้เมฆก่าลที่จังใดเข้ามาแล้วโอ้ยาสันซึ่งอยู่โดนเติบก็เลยว่างเอ้าได้มาแล้วทูสู่เนาะเด็กล้องบึงว่าจะเป็นจังไดคขน้อยเข้าไปเห็นเพื่นเพื่น เพิ่์นบอกไปเมดแล้วเริ่มต้นนะนะอันนี้พวกพี่ป้นอานี่โชคดีได้เดิมาเริ่มต้นกับเพิรนโลดขน้อยเข้าไปแล้วเห็นเพิ่์นนั่งยกมือกันกัซีโลดขน้อยก็ไปนั่งยกซื่ อ, อ, อ, อบะหูจักอย่างเลยยกยกไปโทษไตร้อยกับเป็นพญาตกับขื่นสูงนักเจ็บหัวอย่างไงเป็นบ้านคนนี้ขน้อยเข้าไปอยู่ในห้องนอนอาพาร์ทโฮมปุกหัว อพี่ป้านาอ่านนี่โอ้ยเก่งหมดทุกคนนี่ขน้อยเห็นมาเฮิตต์ตอิดแล้วยกมือจึงซีโรดขน้อยบ่วเป็นจึงซี่ขน้อยอะนะเอาผ้าโฮมซักเพราะหัวอยู่เครียดน้อยน้ยในใจอยู่แล้วแบบมาเฮ็ตอย่างบัจึงสั้นจึงซีโจ๊หลวงพ่อมหาดีเล็กแหละพัลเมตตาที่บอเพันจังไหนบูพันสีอิตนจังไหนก็บบูเพันละเอาไม้นี่ขึ้นมาเฝ้าอันมันเทือนมันมันน้อยเนาะมันได้ยินพัลว่ายยกมือนี่นะ ใจไปยู้สิได์ใจอยู่นะมือบอหรือว่าใจออกไปนอกโอขน้อยลุกขึ้นเอาผาห่มออกจากหัวฟังตั้งใจฟังเพื่นไวเพื่คือว่าจังสิบเถวยกมือเท่าเด็กจื้ว่ามันมีสิบสี่จังหวะเขาบอกหูใจเขาอยู่ใสไม่อย่างอยู่ใส่โอบ่ได้บ่ได้ว่าสะดุกมาฟังใหม่ต้องู้ฟังเพื่อนว่่วไปโอ้วะมันหนาวหนาวเด้ตอนนั้นเอาผาห่มออกมาเข้าไปยู้แจ่ๆเอาผาห่มปอกัว ไหวไผเห็นน้าอย่าเครียดเดหน่อยนึงอย่าใจหายด้เมื่อยเดไผ่ก็สะเห็นแล้วพวกพวกผู้เฒ่าผู้แก่ที่เห็นขน้อยตอนนั้นโดยเฉพาะเอ้ยพ่อนี่เห็นค่ะพองมปอกกลัวแล้วไปยืจแฉกยกมือซาซาพ่อขน้อยนำสติขน้อยยกมือนะซ้าที่สุดว่ะพ่อขน้อยอยากเบิ่งว่าใจขน้อยไปอยู่ดใส่การเคลื่อนไหวขน้อยซ้าที่สุดไผ่ก็ว่าเจ้าสิเหงานอนเน๊ขน้อยก็ลองเหดไใยเบิ่ง โอ้สติขน้อยนํามือบทันพอะมันซาไหลายขน้อยเกิจต้องได้ซาอยู่เื่อกาวอา้าวไปเบ้าอย่างกระยาลองซาอีกโตไปซาบาหนี้หลังจากปฏิบัติแล้วเนาะขน้อยถัดแล้วไปไปก่อนหมูบ ไ, ไดยังเทเ ท, ทเหลียวเวิร์คนปฏิบัติอยู่นี่ยังได้หลก่อนขน้อยประมาณส่งสามมื้อลแล้วละ เพิ่นก็ให้อารมกันคือจิงซี่นี่แหละขน้อยกับคานกุงกูกุง ก, กุยเข้าไปไหวหลวงพ่อมหาดิเล่ตามภาษาบ้หูจักสย่งหลวงพ่อนมด้ทั้งเว้าทั้ ง, งแบบอยากให้ใ ห, หน้อยนึงขน้อยนี่นะสิปฏิบัติได้อยู่โบแบบนี่น่ะขน้อยบเคยนางสมาธิจักเถื่อได้ธรรมะขน้อยกับบริฟังนางสมาธิกับบ๊ปินมาสั่นขน้อยเว้าจังสี่นี่หลวงพ่อกัสิฮู้มุดทะเละว่าขน้อยภูมิจิตภูมิธรรมซ้ำใดเพื่อเว้าว่าสิโยมกัมีเวียกมีงานลายอ่นเนาะ เอาจงซี่ซะโยเมื่อบ้านหันไปเห็ดให้ได้ต่อเนื่องมืดหนึ่งสองสุโมงเด้อเพื่อนวะพยายามเห็ดกินข้าวแล้วก็เห็ดบอกมิหยังนะป้าปนึงใจข้น้อยก็เห็นรถได้ว่าโอยเห็ดได้หลายกว่าสองสุโมงอยู่ดอกเออคขึ้นได้อยู่ดอกขึ้นในใจว่าบ๊ป้ากับก้มกาเพิ่นเป็นก่าซดีให้กับเมื่อบ้านเมื่อบ้านแล้วบัดนี้กัเนี้ยป้ไม่บอกโดนๆได้ซดีหันหลายมือเติบตู้แม่อีกล้มาเว้าเบยเอ้ยมาใส่ทํามาเห่แม่เบิร์ดู มาอ่านนั่นอ่านนี่อ่านเบิงเออเอลิยาบดขน้อยว่ามันยังเอริยบดก็แเป๋โบเป็นหลวงพอเทียนเออสายนี่ขน้อยก็เลยมาใส่วิดีโอเข้าไปให้เมใส่แล้วจักยางนีอยู่ได้แต่ว่าบางเอื่นว่ายืนเบิงตาหันบังเอื่นว่าไปยืนเบิงพวบบนกินเขา่าขน้อยกับห้องทีวีมันเห็นกันขน้อยละเบิงเห็นหลวงพอเทียนเป็นมานาั่งเบิงเป็นมาสอนคนยกมือ อันคว่ำคุณคือจะเหลืองผลประโยชน์เนาะค่ะน้อยเบิงหลวงพ่อเทียนนี่ก็เท่าเท่าหน้าตาก็ซื้อซื่อบุษงสีลวดลายค่ะน้อยคือในใจเนะบิงคุณคือเว้าทอดทอภาษาเข้ากับแบว่าจ้าเจ้าซื่อซื่อวะสิซะ อ, ซ อ, ซ อ, ซอลองฟังเบิงก่อนเออผู้มานังฟังกันนี่แต่คนเถ่าคนแก่บทรงสิริเป็นคนคุณหญิง่งคุณน้ายอย่างหมดเลยสนเข้าไปเติมอีกฟังคําเว้าเฟินเบิงอีกได้อยังว่าโะ เจย์ๆผอมๆคือได้แอดดีแท้คนได้เบิ้งไปทั้งไปเบิ้งไปเออหน้าตากันโอ้ดังโ ม, โมโมงานไี่นี่หลวงพ่อเทียนคนนี้เบิ้งไปขน้อยเฝ้าความจริงให้ฟังเนี่แหละมา น, นี่สนใจเรื่องหูเข้าไปก้อนมานี่ฟ <เอ S 1> ังคำว้ามวม า, านี้ฟังไปเพื่อละว่าว่าโอ้จังสั้นจังซี่เว่าวฟังไปฟังไ ป, ไปอ๋อเพื่นละว่าให้พิสูตพิสูตเจ็ดมือเพื่นว่าเออเอาเงินจ้างคนเพื่นได้ความเว้าเพื่นโท่าหร่ คือมาสูงสิขักแท้พนกรตายแล้วพนโบมาตัวอย่างเขาดอกไปลองพิสูจน์จากเจ็ดมือบางดูกวาสันเด้สิปิดมดบต่ติดต่อกับโลกภายนอกสิพิสูจน์เจ็ดมือหลังจากนั่นแหละหลังข้าน้อยพัดเป็นคนเทวามักพิสูจน์โบโบโ บ, บแมนมาบาโบาเสือแต่เขาบอกเข้าใจกับว่าแมนซะแต่ต้องพิสูจน์ว่าสันจะมีความมีความที่วะจากพิสูจน์ขึ้นมาเขาเลยไปนางยกมือยกยกยกยกย ก, ยก ยกมือยกเทยกว่าได้ยกไปยกมาแล้วมันไปผ่านอารมณ์ไปผ่านแบบว่ายกบวมเอ่นะเข้าใจอยู่ผู้ยกตําอิดนี่มันทรมานแท้ๆมันต้องผ่านนิวรณ์แท้ๆใดเพราะว่าในในการยกของของข้น้อยะนะเพราะว่าคนงโง่เนาะคนงโง่คนบุคขธรรมะคือข้าน้อยนะนิวรณนมันเลยเข่าบวได้หนึ่งนิวรณ์ตกสงสัยข้น้อยบวมีเพราะว่าข้น้อยเสียเอาอย่างมาสงสัยข้าน้อยบุคขธรรมะจากดีข้น้อยบวมีแนวสงสัยตกที่สองมะ ความอิสระพญาบาติขน้อยบุมีอยู่ในใจขน้อยเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ว่ามีความหักแพงมูฟูมัวมาตลอดความทิวาสิไปหาเรื่องที่วากรรมสันทะขน้อยนี่มีอยู่ตูนี้นี่นะทิวาสิขึ้นออกไปข้างนอกอันนั้นอันนี้นะขึอยากได้อย่ากดีนี่นะตูท่ว่างไหลนิวนที่ว่าขน้อยผ่านตูท่ว่าสําคัญที่สุดเม็เหงานอนธรรมะนี่นะ ถ้าเข้าไปถือทางแล้วมันต้องมีนิวรณ์เข้ามานิวรณ์หมายถึงความกีดขวางกีดกั้นถ้าเข้าไปบดถึงเข้าไปเต้นรำเข้าไปมวลน่ะมันสิบโมมีอย่างบ่เหงาน้นเขาไปเบิ้งหนังฟังเพลงีนบ่เหงานอนเพราะมันโมเมนต์ธรรมะนิวรณ์สิบโเข้ามาความหมายของกีดกั้นน่ะไม่กีดกั้นให้เขาหูธรรมะซึ่นั้นเขาต้องผ่านนิวรณ์เขาเหงาน้นนี่มันถืกแล้วเขาเขาสุ้งซานนี่ถืกแล้วแต่ว่าเขาต้องผ่านเลยคันบัวผ่านนี่แปลว่า เขาข้างนี่อันตรายที่ตัวนี้มันสำคัญที่สุดคันผพานนี่มันแล้วแปลว่ามันบวมาเยี่ยมเขาอีกแสดงว่าเขาสนะมาันแนละี้ยวขนาะเพราะว่าขน้อยเงานอนนี่นะเงาจนซกไปจากซี่โรดะซกไปแทๆ้ๆโคขน้อยหู้เมือโขเหงาโนนตัวนี้นะคึดสู่ได้แบบนี้เอา้าหูมแล้วว่าเงาโนนบัด น, นี้ซี่บงเงาโน น, นสิสู่ปึ๊บบัด น, นึงนะคนที่เงาโนนนะพราะขึ้ใจสู่นะ่ะจิตนี่นะจิตเป็นน้าเป็นหัวหน้าอิลิเพราะจิตมันมามันสิสู่ กิเลสนี่ยนะมันตูวเขาเองมันหู้ว่าจิตขน้อยขันเอาแล้วมันสู่ตายฮะนะมันถอยปั๊บเลยเดหลังจากขน้อยเงื้อไปน้อยหนึ่งให้มันน่ะนะข้น้อยหู้แล้วว่าโถเหงานอนตัวนี้ชี้สู่แล้วได้ขน้อยเเวซี่กิเลสมันของเขาเองเนี่มันก็หู้ว่าโอ้นังเบลมันสู้แล้วถอยโรดไปว่าตาขน้อยสว่างปั๊บเลยเดสู่มันแล้ปลว่าจากที่เหงานอนนะนะมันเปิดโมเหงานอนอัติอนุมัติเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเอาที่เอาที่เอากันไปดูขน้อยบ่าลับตานี่ โบเงามือนคือตืิมมันจากมือนมันบนนอนโอ้นีเตมันบนอยู่ใต้บังคับบัญชาเขาหูบนี่มันกับอยู่ใต้บังคับบอานาตตาเกิดขึ้นทันทีว่าสั่งมันบ่ได้ตอนเงานอนมันก็เงาของมันเองตอนมันมันเศราเหงามันคือเศ้าของมันเองมันเป็นอนาตตาโบวีอยู่ข่าว่าเข้าไปไปไปปล่อยกับมันนี่เป็นเงานอนนั่นมันกับทุกข์กันได้เขาต้องสนาเดชเขาต้องทุกเป็นผลแล้วเขาต้องหู้เหตุของมันเหตุของการเงานอนของเขาถ่าวันนึง เขานอนบัวรับเท่ห์หันนะเขานอนสมงหนึ่งเห่านอนในขน้อยบตีอันนั้นมันเป็นสังขารแต่ถ้าว่าเขานอนเต็มที่แล้วเขาเห่านอนนี่อันนั้นมันเป็นนิวรณนต้องจําให้มันแจ้งว่านิวรณ์นี่มันมันมันเห่านอนเต็มที่อยู่แล้วขน้อยไส้เวลาวะเมื่อนี่เจ้านอนเต็มที่เจ้าจะมาเหงานอนนี่บอได้เพราะว่าอันนั้นมันโบเมแล้วมันเป็นมันมันจะมาขวงกันเขาเขาต้องสู่มันเพราะว่าเขาบม่ได้เหงานอนเขาบม่ได้อิจนอนแล้วนอนเต็มอิ่มมันก็ต้องสู่วุดขึ้นมาได้ พานนิวอลตุ่งเหานอนต้องจึงสี่แล้วหลังจากพานมาแล้วนะคโนยบบเคยมีนิวอลมารบกวนไหมถ้าว่าถ้าว่าคโนยสิปฏิบัติธรรมนี่คโนยว่าค้อยเต็มที่แล้วนอนเต็มที่อย่างเต็มทีแล้วเข้ามากับกับไว่าแพ้น้อยทันทีโลดพป๊ะคโนยงูว่าเจ้าเสิเข้ามากกีดกวงแล้วขน้อยขึ้สู้แล้วมันต้องหนีอย่าอ่อนกับมันสู้มันคือไอ้หู้แหละคือเพันธ์าหู้แหละหู้วังเง่านอนก็ต้องสู้ เหงาน้นต่สู่มันเป็นอย่างวิซาวิซาที่ว่าสู่เหง า, านอ้ น, อนกับบงเหง า, า น, อ น, อน้นนี่แหละเขาต้องบ่งเหง า, านอ้นฉอะนั้นขน้อย่านตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นขน้อยโอ๊้แปลกเว้ยมันก็ได้เหลืองมาสักติดได้แบบนี้ติดกันยกมือนีแม่กับลุกนี่ต้องเป็นหนาแต่และมือยกมือนึ่งสามสี่สี่โมงยกเสรกันยกจนว่าพ่วขน้อยมาบ้านโอ้แม่เพื่นว่านั่งเบนนี่สิเป็นบ้านเป็นเมืองเพราะหนักนังน่งยกแต่มืออยู่ ตู้แม่ก็มาซิมใส่หูโธเขาผิดแล้วเขาบังคุณาชีของเขาปั๊บหลังจากนั้นขน้อยเห็นหนา้าชีเรียบรลอยทุกอย่างผัวบรเห็นขน้อยยกมืออีกต่อไปพอวเวลาใดที่ขน้อยวางขน้อยจึงยกแต่พอข้น้อยเห็ดหนา้าชีเลียบเงินกรรัดซานชิงที่ขน้อยนัดขน้อยเห็นมดัดเราก็แปลกใจแล้วโอ้นางเบไปปฏิบัติธรรมาดีขึ้นวันนี้เราถามเลยเบ๋จะเป็นอย่างบบยกมือลรืวอวะ โอ้กระยักยกอยู่แต่ว่ายัางบวยังคาเห็ดเวียงมันเห็ดเวียงนี่ยังนั่นอยู่เออแล้วว่าเจ้าไปยกซ่แล้วเวียกแล้วโอ้ขันซ่นก็ขอบใจแล้วที่จริงแลัวเห็นไปยกมูโบเมนแล้วเห็นเขาเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นโบมีอาการที่ว่าซีไปต่อไปบ้านู่นอย่างเงียยหลังจากเพราะว่ามันมันเริ่มหู้จากผลประโยชน์ได้คนมันจึงยกคนเขาล้านนี้ใส่คนเขาน่ะต้องหู้ว่าผลประโยชน์มันมีจึงยกเพราะว่าอย่างมันมีสติน้อยนึง เท่ามีเงหลังจากที่ใบเงี้งกระทบปึ๊บนี่นะแป๊บหนึ่งมาแล้วสตินะแป๊บเขามาอยู่ในใจปั๊บโรดว่าเขากํำลังใจใหายมูดาเขากัฮู้แลยเนาะเขาบริเวณคนบริถิ่มกำลังใจให้ ม, หนะนนใใหมันเห็นปึ๊บเห็นอาการที่ใจให้เขาเบิ่งอาการของใจเขานะเขาลืมเขาลืมไปเบิ่งสิ่งที่ผุดทีว่าให้เขาว่าเขาว่าอย่างน่ะโบกู้เพราะว่าเขามาเบิ่งใจเขาว่าเขากํำลังใจให้เนี่ยนะโอ้มันกระโดเทียง พอเขาบ่ไปสนใจปุ่งตอวะ่ะเขาเว้าอย่างเว้าอย่างเขาถือเขาผิดนะมันมันที่สลายไปทังทีเข้ยมันบริเทียงนะความใจใหายนี่ก็ได้หลยเธอมันก็เป็นบทเทียนหลังจากนั่นนะเอาใจใหายออกได้โทสะบอกคนเว้านะกินขนา้าวเหยบได้แล้วหายนะขนาวนยมาเบิ่งใจข้าวเยว่าข้าวเหียเครียดมันก็นหายโอ้เข้าใจเด้บัดนี้วิธีเห็น โลบกดหลงเห็นจับจุดเฮ อ, อเบิรงเดอร์ตัวใดเข้ามาถ้าเบิรงนตัวโทรซาเนี่เห็นไว้ที่สุดเพราะคนเฮาหนี่หูโลดไดว่ามูให้เฮามันเข่าทั้งหูโท่เข่าทั้งหูใจใจมันเป็นคนคืดคืดบามูดาซันนบัต น, นีกิ่นข้าน้อยมาได้เข้าหูปับ๊บดับที่หูใจโบทันปุง๋งตันหานี่มันโตัวใดตัวตา ตานี่เห็นอย่างมันจะได้มันจะยู่มันจะกลินมันจะดับมันอยู่หัดก่อนโลดหูแลว้วเปลือบประยักได้แล้วดับปุ๊บมันโบทันเข่ามาหาจิตเหรอตาเห็นดับปั๊บโลดก่อนดับก่อนที่ว่าใจเฮาทิทุกนี่อันนี้แหละหลวงหลวงพอคำเขียนเพันวาอันธรรมะอยู่ใจเพันว่าถือที่สุดขน้อยอนุโมทนาสาธุน้ำหลวงพ่อมหาดิเรกพันว่าใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานซนั่นนะ มันมันเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทางลิ้นทั้งกายดับก่อนสิถึงใจอันหัวหน้ามันนี่นะดับก่อนที่ว่าพวกพวกตาหูจมูกลิ้นไก่ใจเป็นลูกน้องสื่อๆเลยมันเบิง่งปึ๊บใจสัง่งปึ๊บสมมติว่าเขาสิติคนนี่นะมือมันบรอจากตีคนจักเถื่อถ้าว่าใจโมสัง่งแต่ว่าใจสิสั่งมันต้องหูต้องได้ยินสก้อนเอาแหมเขาว่าวเห่มืองแล้วเห็นบอขันใจมันบอกว่าเขาว้าวห่เมืองแล้ว จำปั้นไปแมมมือมันถึงไปมือเขาหนี่นะมันควรได้เหตุอย่างท่าใจโบสังโทษท้อปากเขานี่นะด่าคนกับโบปินท่าว่าใจโบซังมันก็ต้องได้ยินเขาเว่าว่าเอาแม่เขาเว่าใส่เจ้าได้ค่ะนะเห็นบอตอบเข้าไปนะอันบอถ้าว่าใจสังว่ายุดมันก็ตากเบ้าปินเลยบอกหูบอกหูว้าตัวอย่างคนใส่คนด็อกเตอร์นี่นะ ใส่ยาสลบค้นเจ็บนี่นะเวลาสิพาตัดถามขน้อยนี่ว่าขน้อยถามตัวเองว่าเวลาพาตัดเขาใส่ยาสลบเข า, เขาปาดเา้ากับเวลาเขาปาดเทาเวลาเามื้นตาอยู่นี่นะเจ็บต่างกันบบเจ็บต่างกันโบข้าน้อยตอบถามเองตอบเอง บบเจ็บตางกันเลยทอกันมีดปาดหนังเขาแต่เขาฆ่าจิตเขานี่นะฆ่าเส้นประสาทเขาเอวความรู้สึกนี่นะความมู้่าดความรู้สึกโตเขาเนี่ยนะแล้วเขาว่าเขาโบเจ็บมีดปาดเขาตอนตายตอนสลบอยู่กับมีดปาดเขาตอนเขาเป็นคนนี้แบบเดียวกันความเจ็บนะแต่ว่านี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ทันสมัยเด้ ด็อกเตอร์สัญังเหตุลุ้นหลังเด้มาค้นพบยาสลบมักข่าเสศนประสาทเขาแต่พระพุทธเจ้านี่นะเวทนานะ์นะดับที่ใจสะก่อนเห็นบอหลวงพ่อข้้เขียนว่าวเพนเจ็บเกือบตายด็อกเตอร์ถามเพินว่าเจ็บบ๋อเจ็บจักเปอร์เซนเพนว่าเกินร้อยเกินร้อยเพ่นว่านะเกินร้อยเปอร์เซนมันทรมานขนาดไหนบูเมนว่าบทรมานแต่เพินเยบใจออกจาก กายได้เพิ่นก็เจ็บแต่ใจเพิ่นโบเป็นทุกโบไปอยู่กับเวทนาความเจ็บขันเพิ่นว่าว่าจย่งซีขันเพิ่นว่าว่าเจ็บเกินร้อยแต่เจ็บก็เจ็บเพิ่นก็มีผูู้ลู่เพิ่นก็เบิ้งบึ้งเวทนาความเจ็บของเพิ่นน่ะน่ะซนั้นน่ะวันนี้เขามาเว่าวความจริงของเขานี่ซะโลกของเขาเนี่ยโลกเขามันอยู่โลกสมบุรณ์โบว้าว่ะโลกพระอริยาขนาดนั้นเขาไก่กับเพิ่นเหลือเกินมาเบวงเบ้าโลกสมมุรณ์เขานี่ยนะ เขาทุกใจเขาทุกกายเขามีกายมีใจเขาก็ต้องทุกข์เขามีหู้ปีน้ำเขาได้เกิดมาแล้วเขาหนีบุพเนแล้วความทุกข์นี่นะสร้นงเท่าที่มห ah ิจังใดให้ไม่ความทุกข์เป็นธรรมดา คือเขาเทศบางกี้นี่แหละเขามีความทุกข์เป็นธรรมดาเขามีความเกิดเป็นธรรมดาเขามีความตายเป็นธรรมดาเขามีความเจ็บเป็นธรรมดาเขามีความเกิดนี่นะเขาเกิดมาบุดทุกคนแล้วบมีภัยหลีกคนแล้วเขามีความเกิดเป็นธรรมดาเขาม่เห็นให้ความเกิดของเขานี่เป็นธรรมดา แต่ว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นไปไกลกว่านั้นหลายเพิ่นว่าถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายถ้ามีตายมันก็ต้องมีโศกเศร้าปริเทวทุกเห็นบ่ทิ้งที่ขน้อยพ่อเนี่แหละฉะนั้นเขาหนีเพิ่นบ่เขาเกิดเท่าใดเขาตายเท่านั้นเขาเกิดเท่าใดเขาเจ็บเท่านั้นเขาเกิดเท่าใดเขาเฒ่าเท่านั้นว่าซีซะแต่ว่าบางเธอเขากะ ผ่านเรื่องเท่าซะเกิดแล้วมาตายโลดกันมีมาเจ็บก็เกิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับตายโลดก็นมีมันก็มีหลายแบบเนาะแต่เฮาเว้าซะพระพุทธเจ้าตอนเพิ่นเป็นเจ้าสายสิทธะนะเพิ่นก็มีกายกับใจคือเฮาเจ้าสายสิทธะมีห่างกายกับใจเป็นคือเฮานี้ซนั้นเป็นอย่างเขาเสีเห็ุบมได้เขาก็ต้องเหตุได้เพิ่นก็เหตุคือเฮาธรรมะนี่นะธรรมะนี่นะของพระพุทธเจ้านี่นะ เขาบูซากาไฝเพื่ อ, อยู่พ่ออย่างพราะเพิ่นไปตัดสลูแล้วเพื่นทรมานขนาดใดนเพื่นหู้แล้วนะเพื่นมาบอกเขานะมันน้อยเดี๋ยวเท่านั้นนะแล้วนี่กาพระพุทธเจ้านี่กราบย้อนอย่างย้อนเพื่นไปทนทุกข์ทรมานอึดเขา้าอึดน้ํจาจักทรมานมาจะ ก, กี่พบกี่ซัดกลัวจิมาเป็นพระพุทธเจ้ามาตัดสลูห้าหูหูหุดหทุกนี่น่ะหูอริยาสัตตีนี่น่ะทุกนี่นะาานนะนนะเฮานี่นะทันสิว่าแล้วก็ ผู้ใดเห็นทุกปุ๊บเขาอยากอยากทิ่มทุกอยากหนีจากทุกปุ๊บโลดแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าทุกให้หู้ตัวนี้แหละมันสิเข่ามาหาว่าเห็นทุกเข็นทำทุกให้หู้หู้ทุกให้หู้ขั้นหู้วะทุกหนี่แล้วเขาต้องมหาวะทุกเป็นผลแล้วได้เขาต้องมาหาเหตุเหตุที่เหตุให้เขาทุกหนี่มันยั้งคั้นภาษาธรรมะเพลนว่าสมุทัย สมุทัยเป็นตัวตันหาตัวตันหาเป็นเหตุฉะนั้นถ้าว่าเขาอยากได้ลดเหตุของมันเป็นอยากได้ลดยากเป็นตันหาผลของมันคือทุกข์ทุกข์คืออย่างเขาต้องไปซอกเงินมาซื้อลดฉะนั้นนะนะหลังคนมนมันมีรถพ่อขี้ไปกันได้ก็อยากได้รถงามๆรถยี่ห้อมันก็ทุกข์ไปเติมเพราะว่าตัวตว ต, วตันหาเขาไม่ไหลเด ตุกเลเเขามันสูงโบเมนธรรมดาเลยขั้ขนอ ย, ยอดผู้ที่มีกิเลทหลายๆนะปัญญาพันสูงซ น, นั้นเขาก็ต้องได้ใส่ธรรมะทีวะ่ว่าพดทนหลายขึ้นตึมเพื่อสูส่กับตุกิเลเ ท, ที่มันหแห้งของเขานะเพราะว่ากิเลทมันเป็นของเขามันพูดจุดอ่อนเขาซ น, นั้นมันพูดจุดอ่อนเขาเขาก็ต้องเก่งสู่มันไหวเขาต้องเขาสตีมันได้ยังไดกิเลทของเขาเองเขาต้องใส้ความเพียรเขาต้องใส้ขันตี เพราะว่ามันหูจุดอ่อนเขาแล้วเขาชี้ไส่อย่างสู้มันได้ต้องใส้คมเพียนที่สุดแล้วก็ขันตินี่แหละเขามายกมือนี่ยกมือนี่ต้องใส้คมเพียนน้าต้องใส้ขันติเริ่มต้นต้องอดทนเผื่อพานพานว่ะจนได้อลุ่การยกมือนี่นะขน้อยสมือนี่ถ้าได้มีโอกาสยกมือนี่มันเป็นบุญของขน้อยแล้วนี่เขาจเจริญมักได้หนี่มักมีองค์แปดได้นี่เพราะว่าอย่างเวลาเขานางยกมืออยู่นี่ เพิ่นว่าสินสมาธิปัญญาเม็นมักมีองค์แปดในเมื่อเขายกมืออยู่ในเขามีสินเลยเ่ป้านาะอาทุกคนเนอะ้ยฟังขน้อยเพราะว่า1ึ่งเขาไม่ได้ไปฆ่าสั์สินห้าที่เขาเฮียนมานนะ่ะนะมันล่าสมัยแล้วเดี๋ยวนี้นะเขาต้องเอาสินอินทรีย์สังวรเ่านี่ตากระทบผู้หูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นได้ลดกายสัมผัสใจใจใจใจ ใจเป็นนายนี่ต้องเอาทุกอย่างนี่มันได้อันอันที่ว่าอันศีลหา้าที่ว่าจืดแต่ละขอ้อแต่ละขอ้ะขอแบบนุกแก้วนุ๊กศินขุนทองมันล่าสมัยสำหรับเขาแล้วเขาปฏิบัติทมเขาต้องเริ่มตั้งแต่ตาเห็นพูดหูได้ยินเสียงนี่เอากาลุมรวมลดละสัวทันทีเขามีศีล น, นี่นะแปลว่าสําหรับขน้อยนะเวลาหลังจากมาปฏิบัติโอ้ขน้อยเข้าใจศีล น, นี่นะมันละสัวทันทีเพราะว่าอย่างเขามีสติเขาต้องมาเจริญสตินะเพราะว่าคือท่านอาจารย์เขียนเพลินว่าและ ใจหักษาใจเขาเสลล์ยอย่างมาหักษาใจเขาต้องมาเจริญสติสติสัมปัสญะได้ขน้อยบริเวาสติแบบธรรมดาสติสัมปัสญะเพราะว่าเพื่อว่าเวลาตากระทบหูบนะมันอย่างสิบอกเขาว่าเจ้าหลงไปทั้งตาสติ สติต้องมัดเตือนใจต้องมาเตือนใจฉะนั่นเขาต้องมาเจริญเลย ล, ายลาย้ายกมือนีนะ่ล่ะขน้อยนะโยเขายกเป็นของเฮาคือหลวงพ่อมหาดิเรกเพลินเเววไผ่ยโยกกยัญญาโบต้องไปเบิงผู้อื่นเขายกเป็นของเฮาเฮาตักน้ําใส่กระถังถ้ากระถังเฮาบลัวบนะคือเฮาบวกขึ้นออกไปข้างนอกนะน้ำมก็ต้องเติมมือหนึ่งเขาความเพียรเขา่าในมักมีองค์แปดสัมมาหมายายมาเป็นเพียนเฮาก็ต้องเพียนเพลินเว้าสัมมาสติก็ต้องมีสติ สัมมาส ม, มธิเขาก็ต้องมีสมาธิในการยกุกถ้าเขาส่งจิตออกไปนอกเขากะโบวิสมาธิแล้วถ้าเขาเพ่งมันไว้ในมือกะโบได้แล้วปัญญาเขากะโบเกิดเพราะว่าในสินสมาธิปัญญาเขาปฏิบัติเพื่อไปหาปัญญาดิเรื่องสินขาไม่เว้าไปแล้วแล้วเมืนบอกละส่มมะวทําดีตโตที่โสมาในมักมีองค์แปดสมาธินี่เขาเมาเเว่เรื่องการปฏิบัติของเขานีิเด้ถ้าการยกุกมือของเขาหน่นะถ้าเพิ่นออกไปนอกนี่นะ เข้าหู้ปุ๊บพนาโบาต้องใจให้หู้แล้วมันไว้จิตนะมันเข้ามาอยู่มือปับ๊บหู้หาเขาหู้หนึ่งแล้วมันออกไปแต่ว่าเขาอยาไปบังคับมันอยู่มือตลอดได้ถ้าเขาบกคิดจะดีเั่นไปว่าเขาเพ่งแล้วโบมีชักเถื่อจิตเป็นอนาตามันต้องออกต้องเข้ามันออกแต่ว่าให้มันซาี่สุดเออเขาปฏิบัติไม่กะ บอเป็นยังเครึ่องสองมองออกไปเพันไปขึ้นไปบุงไปแตงน้อยนึงโอ้โหแล้วกับเข่ามาจะร่อยถธอหนาเพันออกไปไหมเขาก็ต้องทันเพื่อนว่าเออบัด น, นี้จะออกไปสิบห้านาทีจะออกไปห้านาทีและในที่สุดจะออกไปคุยฮู้จะออกไปคุยฮู้หลวงพอเทียนใส่ทรัพย์ดีเขาต้องจืดให้คักคั ก, กคิดเป็นหนูฮู้เป็นแมวสติเขาหน่ต้องไงไว้ต้องแข่งแหงทอกับตัวแมวหนูนี่เป็นแค่ความคิดมันปิ๊บออกไปหนูของเขานี่ต้องคึบป ตายทันทีหู้ซึกโตทันทีนี่เขาต้องออกความหู้ซึกโตนี่แต่ว่ามันออกไปปุ๊บเขาหู้สึกโตปึ๊บแล้วแล้วสินก็นอยู่ในขันแล้วมันก่อนเขาสิไปเห็ดซัวเห็ดดีเนไะเขาคึ้นสะกอนบ่มีจักเถือ่อคนสิไปข่าคนอยู่บนเื่อยางยุงย่งย่งไปบ่หู้ไปข่ามันต้องขึ้นว่าผู้นี่นี่มันว่าวเฮกูผู้นี่มันข่าพอข่าแมกูผูน้นี่คันขึ้ขปุ๊บถ้าเขามีสติดีเขาดับตั้งแต่มันคึ้แล้ว มันพวมีเหตุการณ์เรือก่อไปผู้ที่เพลิดเพ็ินอย่างผิดพลาดซูมือนี่นะเพลิดอย่างผิดแล้วมักเสียใจที่หลังเพราะขาดสติสัมปสัญญาเขามีบุญวาสนาเหลือเกินแล้วได้มาพ่อครูบาอาจารย์กัลลัญานามิตบางกี่เข้าหากว่าสูดไปพระอานุนถามพระพุทธเจ้า ว, ว่ากันลัญานามิตเป็นเครื่องหนึ่งของพมาจันทร์บอกเพื่อนว่าอนุ์กันลญานามิต เป็นมดของพมาจาันทร์ะนั้นเขามีครูบาอาจารย์ที่ว่าเป็นบทของพอาาระพมจันทร์มาสอนเขาแล้วมาเพินพ่นมาสอนเขาแล้วแล้วเขาต้องโยนิโสเอาเองคือว่าโยนิโสเขาต้องมาพิจารณาว่าเขาเช็ด จ, จังใดเขาเช็ด จ, จังไดเขาหน้าที่ปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเขาหลวงพ่อมาจับมือเขายกบได้หลวงพ่อมาบอกเขาเฮ็ดบได้ตโตโยนิโสเป็นของเขาเองซองอย่างนี่ เป็นของกัลยาณมิตรกับอันเขาต้องปฏิบัติเอาเองนี่พิจารณาหรือภาวนาเอาเองนี่นะมันยกมือหลายๆเนี่ยต้องเขาเห็วเอาเองแม้แต่พระพุทธเจ้าของเขาพระอา น, นุ์เป็นทั้งลูกอ้ายลูกน้องของเพิินเป็นทั้งพระอุปทาของเพิินพระพุทธเจ้าสิบุหักพระอา น, นุ์บอกถ้าพระพุทธเจ้าจี้ได้ว่าอา น, นุ์ให้เจ้าบรรลุ ธ, ธรรมเดี๋ยวนี้พูดแรกที่บรรลุ ธ, ธรรมต้องเป็นพระอา น, นุน แต่พระพุทธเจ้าก็ได้แต่บอกพระอา น, นนุ์ว่าให้ไปปฏิบัติขน้อยจือได้ว่าตอนพระพุทธเจ้าบสสบายหลายพระอา น, นุ์หักพระพุทธเจ้าหลายไปฝนยาให้พระพุทธเจ้าเห็ุอย่างไรเทียทิมพันสอนพระอา น, นุ์แล้วพันว่าอ น, นุนบ่ม่นหน้าที่ของเจ้าเหตยาหน่ผู้เหตย า, ยายคอยมีหมอเหตพันอยากให้พระอา น, นุนไปปฏิบัติบ่แม่นอย่างเดยสะนั่นหลวงพ่อพันให้เขาพันเว้าอย่างให้เขาเสียเสียให้หายล้างเือ ปากเพิ่นเบ้าใจใจเพิ่นบดไอคิดเพราะเพิ่นต้องการให้เขาได้ธรรมะเพิ่นคำเบ้าแต่ละคำเพิ่นนะนะโอ้ยเพิ่นเบ้าให้ขน้อยสัพปิสัพปะแต่บดไอกระเือดใจขน้อยเลยเพราะว่าขน้อยเอามาว่วยมามาเป็นมาเป็นบทเรียนสอนขน้อยว่าให้ขน้อยปฏิบัติดีแล้วเพิ่นเตือนการเว้ากันที่คนเว้าให้เขามันมีสองอย่างผู้นึงเขาต้องมาพิจารณาสมมติว่าเพิ่นเบ้าเพ่นอีนางเบอีตงมา ขน้อยต้องก่ำเบิงมาขน้อยโบมีหางขน้อยต้องขอบใจเพิ่นพอเหตุที่ขน้อยหูว้ว่าเพิ่นเป็นคนแน้วไถขน้อยเป็นคนได้แท้มาบา้าขน้อยเป็นหมาถ้าเพิ่นว่าวา่านางเบ้เจ้านี่บุกหูสูงหูต่ำเลยขน้อยต้องมาพิจรารณาขน้อยวา่าโอ้ยแมนอิริได้นี่เนาะเขาบุกหูสูงหูต่ำเพิ่นสอนเขาเล่าให้เจอไหนเขาต้องก่ำขอบใจเพิ่นซนั่นนะ่ะคนศสีดาสีย่องหรือสีสสย่องหรือสิติ ดีทั้งสองสําหรับขน้อยบูมิขหมายอย่างสองอย่างเป็นบทเยียนดีทั้งสองอย่างที่ว่าบะที่ย่องหรือสติบูมิขหมายอย่างสะนั่นเมื่อเขาจับสทุกอย่างในโลกนี่มันมีของสองอย่างมีบาปมีบุญกุศลอกุศลเขาปฏิบัติธรรมนี่นะวิปัสสนากรรมฐานนี่นะขอบอกไปเดี๋ยวนี้เลยว่าเขายูเหนือบาบเหนือบุญยู่เหนือบาบโดบุ ญ, บญคํานี้ขน้อยสามารถเว่าได้คนเขาบประเสริฐเลื่ล่ำ เกิดมาตั้งแต่น้อยเท่าเทมันก็ต้องมีส่วนมีดีเหตุบอกมีเมซีผู้หนึ่งหักษาสินขนาดไปอาบน้ําไปถูกกุ้งน้อยเดี๋ยวนึงกุ้งตายเวล้ตายเนี่ยคิดไปติดอยู่น้ําอันควว่าไปข่าอันอันนกตัวข่ากุ้งตัวนั้นเนี่ยไปตกนาลูกน้อยหนึ่งอีปัสนาเนี่นะอยู่เหนือบาปเหนือบุญแท้แท้ได้พูดเท่าผูกเกยเมีป้าน้าอานี่บุญแล้วมาพ่อนะเพราะว่าเขาเสียวได้ไปไสเวลาเขาตายทิศ อย่างที่ว่าเพลินบอกว่าบารมีในการเจริญเสื่อมในการมาปฏิบัติธรรมนี่มีอย่างอยู่ในหันขอสําคัญที่สุดเม่นเจริญสติจเจริญสติในสําคัญที่สุดเขาเกิดมาแล้วเขาเลือกเลือกบาได้แล้วสิเกิดทุกเกิดหังเกิดมีเกิดเนว่ยใดแต่เวลาตายนี่น่ะนี่แหละเขาเลือกได้เวลาตายนี่แหละเป็นนาทีสุดท้ายนาทีท้องห้านาทีก่อนตายถ้าเขาเจริญสติในหลายๆที่สุดนะเขามีสิทธิเลือก ข้าน้อยบอกถ้าอยากไปอบายยภูมิขึ้นโลดเจ้าเห็ดแนวั่วนแล้วเดขึ้นออกมาตอนที่ตายหันถ้าผู้ใดบวมาเจริญสตินะข้้อยได้ยินข้อยกับบเคยเห็นดอกได้ยินพันวัละมือเพิ่พกขึ้นถาตัวเองขึ้นคว่ำส่วนพอวัตสติพันบวแข็งพันบวทันยูเหนือบาปเหนือบุญถ้าว่ามาเจริญสตินี่แล้วนะพันจีหู้ทันทีว่าโอ้ไปแล้วแนวสิเพราะว่าจิตมันเป็นอนัตตาฟังนี้มันคักคจิตตัวนี้ มันบรได้หู้ว่าจิตนางเบเวลานางเบใช้ใจกาดนี่นะจิตมันสิไปตามบาปตามบุญเท่านั้นถ้านางเบนี่คดสัวหรือว่าคดหักอกุศลที่นางเบฮเิตนะมันสิไปเกิดบนบอดีถ้าว่านางเบนี้นะคดหักกุศลพลบุญโอ้ทานนั่นทานนี่เฮ็ดบุญกุศลหลายๆนะนางเบก็สิไปเกิดบนบอดีแต่เขาไปฏิบัติวิปัสสนานี่นะเขาอยู่เหนือบาปเหนือบุญบุญกระบห่าบบาปกระโบหิว บุญกบฏหา้าบาปกบฏหิวฟังคํานี้มันคาคาถ้าผู้ฟังบกคักทิเข้าใจว่าโอ้นังเบยเดี๋ยวนี้บุญแล้วกบอเอาเด้บาปแล้วกันนะขน้อยบอกตรงๆงขน้อยย่านบาปยิงกว่าถ้าว่าเอาขน้อยไปฆ่าทิมนะนะขน้อยย้อมตายดีกว่าที่ว่าเสขน้อยเหตบาาขน้อยบอกไว้ตรงตรงนี่เพราะว่าบาปมันเป็นผลมันเป็นผลเขาต้องได้คบถ้าเขาสร้างเหตุทสารนั้นเขาบกเหตบ เข้าไปเข้าไปทําบาปนี่มันเป็นเหตุแล้วผลที่เขาได้เขาถูกสันนัคน้อสิบุษสังเหตุได้ขาดเพราะว่าบาปนี่มันเป็น เ, นน ป, นนเป็นเหตุสัน น, นั้นขน้อยบเหติเพราะว่าเขา้อยงูเด้บาบาบุญมีจริงสางเหตุมันก็ต้องได้ขับผลสันนถ้าเขาเหติความดีแล้วนะเขาตายนะไม่ต้องการแบบพระอรหันต์หรือพระเก่งเก่งมาสูตรหรอกเพราะว่าอย่าง ถ้าเจ้าเหตสัวนะซีเอาพระอรหันต์มาสูตรนะเจ้าก็ต้องไปบนสัวถ้าเจ้าเหตดีนะตายจึงได้กัญญาโบาต้องมีพระสูตรก็ตามเพราะว่าถ้าเข้าใจจิตแล้วนะจิตเขาต้องไปดีพอเขาหู้ว่าเขาเหตดดีเขาคือถาแต่แ น, นวดีๆเวลาเขาตายเพราะวิถ่ยซอยเขาได้อันนี้แหละมันเป็นอัตนิธอั ต, อตนโนดาโถธรรมะเขาเรียกกับโบเก่งแนละ้วจื่อได้แต่วตนเป็นที่พึงของตนเองตอนนี้แหละ ตอนนี่แหละเฮาต้องพึ่งตนเองสติเท่านั้นสติที่เฮามีนี่แหละขั้วพ่วมเข่ามาที่วาา่าใช่ไตั้งครูคณะก็ได้ยินครูบาอาจารย์เพิ่งบอกอยู่ว่าตั้งใจดีๆเล้วคิ ด, ดถึงพุทธทูธรมโมถ้าสติผุนั้นบกแขงนะคิดโปรได้แต่ว่าเฮานี่นะบ่ไปใส่ดอกเขาจะเลิศสตินลยนะยาดนํ า, นาใจให้พายแม่ป้าพ่อลุงยกไปเรื่อยๆยกมานี่ก็ได้สติน้อยนึงหยอดไปหยอดไปเรื่อยๆแล้วเขาสิมั่นใจ ตายเขาเขาบอยาา่านเพอเขาหู้วิธีตายทุกคนต้องตายได้อยู่ในนี่นะเกิดมาทุกคนต้องตายสันนั้นเขามาเฮียนวิซาที่ว่าเขาอยู่เหนือความตายนี่เพื่อนบอกสูตรเพือ่อน่าเขามีความตายเป็นธรรมดาพราอว่าเขาหู้วิธีแล้วเขาสิบอย่านคนที่ว่าย่านตายอยู่แสดงว่าเพื่อนยังบะหู้วิธีเถือ่อสันั่นขน้อยตะกี้นี่ย่านผีย่านตายย่านไปบุษณนวเดี๋ยวนี้ ผีขน้อยกบย่านโบเมนว่าขน้อยโบเมนว่าขน้อยย่านผียอดว่าผีสิมาลอกไหนขน้อยเข้าใจว่าขน้อยย่านตายย่านผีมาฆ่าเดี๋ยวนี้ขน้อยมีสตีแนนว่าขน้อยบุเคยเห็นผีจักเทือนะตั้งแต่เกิดมาจะน้อยเท่าใหญ่มาโลดมาเป็นตุ่รงสิถามบึงขน้อยกล้าท่าเพราะว่าตั้งแต่น้อยเท่าขาสิบามปีบ่เยห็นผีเทือเป็นอย่างเไาย่านจริงที่บุมีตัวตนเดี๋ยวนี้ขน้อยนี โอ้จิตนี่มันหลอกมันเก่งแท้ๆเลยมันเห็ุเป็นผีโลอกเขาก็ได้เห็ุแถวย่านก็ได้เหตุแถวค่กก็ได้เหุ้แถสังก็ได้กินขน้อยบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้พอว่าขน้อยสรั่งสตินี่แหละแต่ว่ามันบูมีอย่างเทียงแท่แน่นอนซาถูกขน้อยกราบขอโทษถ้าเสว่าโอ้ดังเบกิ้งแท่บ่บ่ถ้าบุสร้างนี่ยมันก็ะออนลงตัวหู้เขาก็ออนเขาต้องสร้างต้องโยกอยู่ตลอดยกแล้วก็หู้ว่ามันไหวสร้างมันก็ซาลงแด แต่ว่าเขาก็หู้พลังของเขานอนชากแบตเตอรี่อีกต้องยกยกยกจุดกลัวว่ากิเลสตันหาเฮ็ดอย่างเขาบาไ้ซูมือนี่นั่งไบีเห็นเห็นกิเลสแต่ว่าโอ้จะบอกใครเฮ็ด น, นี่บอก่อยว่าเฮ็ดก็ยกมือจะบอกขใครจิงซี่บอกหู้เขาอยู่เหนือดีเหนือสัวเขาวู้ใจของเขานี่บริสุทธิ์ไรอย่าไปโทษจิตจิตของเขาบาไ้อยากเค็ดซัวอย่างมดแต่ไอความคิดนี่มันเป็นนายมือที่คล้อยเข้าใจธรรมานี่ น้ำตาคอเบ้าแต่บทันไหลเพราะว่าเห็นใจนี่นะมันอยู่ซื่อๆอยู่มันบปยอยากได้อยากดีมันบปยอยากยั่งโปอยากเป็นอย่างไรแต่ไอความคึดนนี่มันมาสั่งโอ้ก็เห็นเจ้าแล้วเจ้าสั่งขอ่งขอยสั่งมาเลยเดี๋ยวนี้ฮักษาชิตของเราคือหลวงพอ่ออาจารย์เขียนเพิ่์ลว่าฮักษาเพิร์จิตที่นาสงสารนี่เขามีคู่มีนามแล้วถึงจังใดฮะนะอย่าให้เพิ่์ลออกเป็นอกหลายซะให้เพิร์มาอยู่ยา่าอยู่เฮือนมาอยู่น้ำกายนี่แหละเพืาะงั้นนี่เป็นกาย ใจนี่เป็นผูยูเจ้าของเฮือนให้มาอยู่น้ำกันของสองยางอาศัยซึ่งกันและกันเลยขั้นบูมีกายจิตกับบูมีวอนอยู่คนกระตายขั้นบุขั้นเฮามีแต่กายบูมีจิตก็เป็นคนเสียเส้นคนบูมีปัญญาคนคนดีกลืนจริตกายกับเขา้อยลงหน้าลงหลังตนไม่เท่าตายนหละเพราะว่ากายกับใจมันบูไปน้ำกันฉะนั้นนะเอาของสองยางนี้มาอยู่น้ำกันรวมกายกับใจรวมกันเป็นหนึ่งสมองก็จะดีขึ้น แต่เกา่ะความผิดผู้อื่นนะนะท้อเส้นผมกัญยายความผิดตัวเองท้อผู้เขากล้าวเห็นแต่เดี๋ยวนี้นะขน้อยเบี่งตัวเองขน้อยเห็นความผิดขน้อยท้อผู้เขากล้าความผิดของผู้อื่นขน้อยเห็นท้อเส้นผมขน้อยเห็นขน้อยบบเอาใจใส่มันเป็นเรื่องของเพลินเพราะว่าขน้อยต้องมาเบี่งตัวขน้อยเองว่าขน้อยขน้อยดีพอแล้วบอกเขาน้อยเป็นจังไหนแต่เรื่องของเพลินเพลินต้องจัดการเพลินเองเขาเอาใจเข้าไปใส่ใจเพล่นบ่ได้สนั่นน่ะ หลวงพ่อเว้าฟังกักทัดยกไปโลดผู้ใดยกเป็นของผู้นั้นผู้ใดบม่ยกก็ต้องไปเบิงเพิินคำเว้านี้มันเรียบๆแต่มันละเอียดแท้ๆเพราะว่าเขายกนี่นะสมมุติว่าเขาหักลูกเขาไปยกแขนให้ลูกได้บอบอเขาหักผัวเขาไปยกให้ผัวได้บอบอตนเป็นที่เพิงของตนเขายกเขาเองเขาได้ยกไปเขาสั่งสติเขาเวลามีสติสัมัาระแล้วทุกคนเสียหู้เองผู้หู้กับหู้เฉพาะตนข้น้อย ก็บสามารถสีเว้าให้ได้ว่าเวลาสติเข้ามามันเป็นจังใดมันบุ๊บเข้ามาแล้วทุกสติเป็นกุศลฝ่ายอกุศลจะดับทันทีถ้าเป็นสติผัสานสีสติแท้แท้สติผัสานสี่นะเขาจะโบย่านตะกิเลตเลยเพราอเขาหู้ปุ๊บย้า้แต่เขาหู้เขาหูปห้ปุ๊บมันดับหู้ปุ๊บมันดับฉะนั้นเขามาสร้างตัวหู้ในแข็งที่สุดเพราะว่าสี่เป็นดับตัวหู้เป็นวิสาตัวบ้าหู้เป็นอวิาสาฉะนั้น เขาต้องตั้งใจยกยกเท่าใดเป็นของเขายกเท่าใดเขามีสติเท่านั้นขน้อยสมืตอนี่โอ้ยขอโอนขออ้อนวอนแม่ขออ้อนวอนผัวขออ้อนวอนพอดลูกขอให้แม่ได้ยกแม่เซบปได้ใจให้ขอให้ใได้ยกอไอเอ้ยเซได้เป็นเมียที่ดีของผัวเบ้ากับแม่ขน้อยขอเป็นลูกที่ดีของแม่ถ้าขน้อยมีสติพรอว่าขน้อยเซได้เห็นนาที刹那 น, น, นั่นนะ ซูมื้อนี่นะยกมือว่าจะมีโอกาสมันยกมือเขาจะเลิญหมกักเขาจะเลิญหมักมีองค์แปดเขาจะเิญหมักมีองค์แปดเขาจะได้เข้าใจอริยาสัตสีได้ละเอียดเขาจะได้เข้าใจไปคำปะนะมันอยู่น้าเขาเองเวลาเขาเข้าใจแล้วมันมันแตกไปเองบอตง่ต้องให้ไผมาบอกเขาดอกเขาหู้เองเขาหู้วิธีตายเขาหู้วิธีเขาหู้วัตถุจงาเงเขายอมรับสัตจะทำไแบบว่าความจริง ทุกมื้อนีนเขาหู้เขาฟังธรรมะเข้าใจแต่เขาบุยอมรับความจริงเพอเขาบุได้ปฏิบัติถ้าเขาปฏิบัติแล้วเขาสิยอมหับความจริงถ้าพ่อความตายเขาก็เข้าใจว่าเขาเกิดเขาต้องตายเขาเป็นจังไดเขายอมหับข่มริงแต่เกาเขาหูภูเหก็กหูหมดแต่มันบุยอมพักพราะว่าตถุสมุตดมันบบาบางอย่างอยบามาเบาบางตัวปรามัดของเขานี่อยู่ถ้าเขาเข้าใจตัวปรามัติแล้วนะสมุติเหตุอย่างเขาบุได้หมดสมุติก็เป็นได้แต่แค่สมมุติอยู่หันแหละ ตัวปาละมัดที่กะที่ดันตัวสมมุติออกไปจนว่าแต่ว่าโลกของเขานั้นเป็นโลกส ม, มุติเกือบละล้อยเปอเซนเขายู่กับสมมุติแต่เขาอย่าไปะติดส ม, มุติเขาอยู่กับสมมุติคือสมมุติทุกอย่างในโลกนี้เป็นสมมุดหมดตัวอย่างขน้อยนี่แหละคันแม้จากธาตุสี่ขั้นห้าหมดทุกคนก็บธาตุสี่ขันห้า 5. แต่สมมุติของขน้อยเป็นนางเบ๋ต้องเอิญข้นน้อยนางเบ๋ขั้นเสื่อเอิญ ใส่ท่าซีคันห่าดเลยว่าดินหน้าลงไฟทุกคนมันเป็นคุมุดเขาจึงมาใส่สมมุดสื่อสื่อๆื่อแต่ละคนเพื่อว่าอย่างเพื่อให้บลุมกันสมมุติมันมีประโยชน์ไฟดําไฟแดงนี่เพิ่มมาไฟเขียวมันเป็นบัญญัติมันเป็นสมมุติด้ที่ว่าให้คุณไปไฟแดงทุกคนต้องถือว่าบัญญัติมันเป็นระเบียบเห็นบอกข้าโบมีโลกนี้มันต้องการสมมุติต้องการบัญญัติแต่วัตถุประมาทมันหู้สะพดตัวซนั้นทุกคนต้องปฏิบัติเอาเองต้องหยกมือเอาเองเพื่อใสี่หู้ตัวประมาท ขน้อยกะเเว่ได้แต่เท่านี้แหละเพราะว่าคันเเ้าไปหลายกะธรรมะนี่ยนะมันโบมีทีสิ้นสุดอันเเว่จีซี่แล้วขน้อยกะสี่กาบขออโหสิกรรมน้าแม่น้ำหน้านองเย้านําลุงบุญนี้ตอนที่ขน้อยเข้าใจธรรมะแตบิดรตาทวบีปัสนูมันเกิดธรรมะที่บบเคยมีมันออกมาโอ้ยมาดีเอาแม่มันดังฟังธรรมะ ด้านน้องแย้วยีใส่เบอร์โทรศัพท์นี่มาเปิดโทรไปลบเป็นสองต้มมลุกมเหมือนมียีใส่โทรมาว่าฟังทำไมหลังจากที่ข้าน้อยมาระยะไหนระยะหนึ่งเกิดความเบื่อขึ้นมาเกิดความที่ว่าโอ้ยเบ้าไปกระเท่านั่นแหละเมื่อยปากเพราะว่าบมเมนว่าบอกเราอย่างไหนเพราะว่าเขาต้องหู้ว่าพันธุ์ชีพเขาได้ซ้ำดายเขาต้องหู้ปริมาณมาหู้บางี่บนี้มาณนั่งอยู่เมื่อตัวเองเพราะว่าหลวงพ่อมาดีเล็กเพิ่งเตือน หูซึกตัวให้ซัดซัดหูซึกตัวให้ซัดซักลับเข้ามาคู่ตัวเองได้บหมนี้มาน่ายกมือโบยจากปากบาหนิผู้ใดว่าวธรรมะโบยากว้าวหูได้บหมนี้หลังจากมายกมือซัดซัดนี่ผู้ใดว้าวธรรมะออกมาเนี่เขาหูภูมิจิตภูมิธรรมบนทันทีโถโบปากบาหนี้ปากอไปมูอซิหูโตเริ่มเงียบมาหน้หลังจากเงียบมาหน่อยหนึ่งโอ้ปฏิบัติเอาตัวเองเห็นแกตัวแล้วเจ้า เห็นแก้ตูวอยู่บนไหเขาหู้แล้วเขาบูอยากบอกผู้อื่นเห็นแก้ตัวถ้าเป็นสมัยตะกี้เฮียนหนังสือนี่ทั้งที่บอกมูนี่จุดพิเศษเนี่ยเอาไว้ตัวเองเพราะมันยังมีที่หนึที่สองบอกบอกบอกไปอยู่แต่ว่าตัวสำคัญนี่ตัโตัวแน่ๆนี่ต้องเอาไว้เพราะว่าเสีเอาที่หนึ่งเลยเจ้าได้ที่สองบอกได้แค่นี้ต้องมีจุดหลักละแต่ธรรมะนี้ถ้าเปิดได้นะจะเปิดหัวใจออกและใส่เบิงเลยว่าเป็นจังใดเพราะว่าบูามีขวมที่ว่า อิศ ส, สาญานลืนย่ยญานเหลือโบอมีในใจเลยเพราะว่าหลวงพ่อเพิ่นเอาไนมาเมล็ดมะวานเขาเป็นเขาเป็นมเมล็ดแล้วต้นต้นที่เขาเพิ่นให้ใจต้นแต่ละต้นแต่ละคนรักษาต้นไผ่ต้นเอิปมันว่ามันที่เจริญแบบใดเขาต้องคดน้ําเขาต้องใส่ปุ๋ยเป็นเรื่องของเขาคือเขามายกมือนี่แหละหลวงพ่อบนน้ำคดให้เขาได้เพิ่นเอาเอาพืชยายให้ไปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าสรอยพระอา น, นุโมได้นั่นแหละฉะนั้นนะเขา ต้องยกเอาเองเพราะว่าผู้ใดที่นานผู้โบต้องน้อยใจแสดงว่าเขามีปัญญาหลายกิเลสเขาเหมือกวัวเขามากิเลสเขาสูงเขาต้องสู่มันอย่างไงนั่นแหลเป็นวิบากหน่อยหนึ่งก็ต้องได้อดทนเอาสันั่นขน้อยบางเอินเกิดม้าใจซื้อปากกับใจตุงกันตลอดเวลาเว้านะขน้อยสิเเว่นปุ๊บออกมาปากกับใจขน้อยบบเคยเลยเป็นเพราะบุญอันหนึ่งของขน้อยที่ว่าขน้อย ป, ปฏิบัติธรรมเพราะว่าปฏิบัติธรรมะปฏิบัติใจสันั่นนะนะ ผู้ที่เรือนความรู้สึกเก่งๆนี่ต้องได้สู่กับกิเลส ท, ที่นักได้จักหน่อยเพราะว่าเขาปฏิบัติส่วนลึกของหัวใจกายนี่มันแสดงออกลัางเทใจมันเป็นแบบนึงกันมิแต่ว่าปฏิบัติธรรมะเมนปฏิบัติทั้งใจตัวรู้สึกซื่อๆนี่นะตัวรู้สึกซื่อๆนี่นะมันเป็นแบบซื่อๆแบบซื่อบื้อกับว่าเมนแต่ว่าซื่อบือ้อแต่ท่าว่าแต่ว่าเวลามันเข้าใจธรรมะแล้วมันเอาตัวรอดจากทุกได้ซื่อบื้อก็ย้อมซื่อบือ้อท่าว่าเขาสิบทุก ซูเมอร์นี่ทุกกระทุกเศรษฐกิจเป็นยังซี่ทุกคนต้องทุกทุ ก, ท, กทุกคนเกา่าแต่มันเห็นอย่างขน้อยบัได้ดอกเรื่องเศรษฐกิจมันกระยูของมันตกขน้อยกระใจขน้อยกระยู่พอใจขน้อยเพราะว่าอย่างขน้อยซีดีนซีเต้นขน้อยกับเปลี่ยนแปลงโลกบัญหาของโลกในบัได้หรือว่าบัญหาของเขาบัได้ซะนั่นหันขน้อยแงกใจของขน้อยออกจากทุกได้ซะนั่นล้างเธอขน้อยหลงป่ากไปเฝ้ากระบะ เห็นผู้อื่นข้าเจ้ามีปัญหาทุกๆนะแยกใจออกจากความทุกข์ที่ขาเจ้าเหลียวเบิ้งหน้าขน้อยขน้อยก็เข้าใจข้าเจ้าเว้าอีกได้ว่าธรรมดาแล้วเขาเจ้าก็ต้องเว่าข้าน้อยทุกมันของข่อยนะนางเบยบ่เป็นทุกข์ของเจ้าเจ้าก็บอกข่อยทิมอันเจ้าก็บอกให้ทิมได้ที่ทุกมันไม่ของข่อยบ่เม็นของเจ้าโอ้ขน้อยก็เข้าใจแม่นแน่นอนเพิ่นเว้าก็ถือของเพิ่นเพราะว่าปัญหาทุกมันของเพิ่นบ่เม็นของเขาเพราะว่าเพิ่นยังบ่เจริญสติถ้าเพิ่นเจริญสติเพิ่นสิบ่ว้าวอย่งสี่เพราะว่าเพิ่นสี อัตโนธุเพิน่นเสพเพิ่งตัวเองเพิน่นเสพเอาสติแหละมาคุ้มของจิตของเพิน่นคือทานคำเขียนว่าอาจารย์คำเขียนเล่าหละเพิ่นว่าต้องการพอบ่ต้องการแมว่าต้องการผู้ใดมามามาเป็นที่เพิ่งทั้งใจของเราเข้าเป็นที่เพึ่งของเรา เขาเหตุดได้พวกทุกคนเกิดมาไม่ก่กับใจขน้อยขับพองมาเหตุดได้แต่ต้องพิสูจน์ขนอยขับพองตุกขน้อยบัขน้อยพิสูจน์แล้วแต่ขน้อยขับพองใหุ้ผู้อื่นบ่ได้ะนั่นทุกคนต้องพิสูจน์ ด, ด้วยตัวเองแล้วเขาก็ะิได้มาพ่อกันอีกแล้วหลังจากนั้นขน้อยกะิได้เห็นใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสของตุกตุกนเพราะว่าวาบุบานนี้ขน้อยเห็นใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสของเท่าเอฟพ่อแล้วตายขนอยยางเข้าไปขน้อาเอฟ เอ้ยเสียใจน้ำเด้อเอ้ยหูข่าวหลองพ่อเจ้าตายเท่าเอว่าเอ้ยว่าเป็นยังดอกถ้าน่องบอมาปฏิบัติธรรมะนะน่องถูกกว่านี่น่องหูจักแล้ววาเวลาอัตคัดคัดสุนจังซี่มันซอยได้น่องบทดถูกโอ้แสดงว่าดีใจน้ำแล้ววาคนผู้นี้ที่จริงเข้าไปถามแล้ววะเลาที่เป็นจังใดเรา ว, ว่าบม่มีปัญหาเอ้ยน้องน้องอยู่ได้น้องเข้าใจโอ้แสดงว่า สติเราแหงพอที่สิรับบัญหาการตายของพ่อเราพอเรายอมหับสัจธรรมว่าเพึ่งต้องตายเดิบ่วเตะพ่อและลูกเขาผัวเขาทุกคนขั้นสั้นเขาสิว่าอุปัติเหตุบอกมันตายได้ทุกเวลาเขาต้องทําใจปฏิบัติธรรมะเพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้แล้วพวกเขาเิบอมีทุกเขาอันนี้แหละทุกบัวมีทุกบมักบ ม, กบมีเงินมีคำทุกครั้งทุกมีทุกในอริย า, าสัจสีเขาต้องไปหาตัวนี้ให้มันได แล้วพวกเขาสิมีความสุขทุกเรื่องเงินเครื่องค้าหันเอาไว้ที่หลังซะมันมันมันเป็นธรรมดาของโลกแล้วแต่ทุกในอริยสัจ ส, สิทุกมีแต่เขาบทุกนี่บทุกใจนี่เรื่องสังขาร่างกายมีเจ็บมีป่วยมันก็เป็นธรรมดาเขาวิ่งหู้เพราก็ต้องทุกมีแขนเจ็บแขนมีขาเจ็บขาแต่เรื่องใจนี่นะมันเป็นนามธรรมเขาเห็ุได้ทุกคนมีใจเขามาปฏิพัติใจบริถุก น, นีกิน้ากันเพราะว่าศาสนาพุทธ่แท้จริงคือเหตุให้ใจบทุก บ่เป็นอย่างอื่นขน้อยขออนุโมทนาสาธุน้ำทุกทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมถาว่าการเว้าของขน้อยไปกระทบจิตใจของผู้ใดคดีความหูขน้อยปัญญาขน้อยเด็กน้อยที่บุกเคยฟังธรรมะธรรมมก็ขอให้พี่ป้านาอาโดยเฉพาะคุบาอาจารย์ผุดเตรียมด้วย อ่าวุติธรรมด้วยศินด้วยสติปัญญาขอให้อโหสิกรรมให้ผูดน้อยด้วยด้วยการศึกษาคือข้น้อยขอให้ข้น้อยยังมีกราบมีมิ ม, มิขอกาบขราวาขอสมมาพร้อมนี้และก็ญาติตามทำทุกอย่างทารวาข้น้อยเว้าอย่างไปข้น้อยบุญไม่มีเจตนาอย่างหักไปถึกจิตใจของผู้ใดก็ขออโหสิกรรมให้นาที่นี้ด้วยขอถามหนึหน่ง ว, ว่าบัวหอดไตร่อยแต่เขาเป็นไตร่อยสาย น้ยเอาขน้อยลืมเมาห้ฟังพอ่าหลวงพอมาชี้จุดนี่ให้ตอนที่ขน้อยไปปฏิบัติธรร ม, มาอยู่บ้านลุงบุญมีขน้อยยังกินยาไตร้อยขน้อยเป็นพญายาไตร้อยถึงขัน้นถ้าผู้ใดที่ว่าหูจักเรืองหมอสิเข้าใจดีไตร้อยของขน้อยขึ้นฮอดเลขสิบสอง ทุกๆคนตอนนั้นด็อกเตอร์ว้าเลยดอกเตอร์เขาเจ้ามีอซิสต์ของด็อกเตอร์สองคนเขาเจ้ามาเขาเจ้าเว่าวเป็นภาษาอังกฤษเขาเจ้าว่าคนผู้นี้เป็นไตรอยเกือบตายออมมุสได้เขาเจ้าพราะว่าไตร่อยแล้วขึ้นสูงถึงสิบสองแล้วตายได้ทุกเวลาขน้อยก็ะหู้พอว่าเวลาขน้อยนอนเขาหน่อยเมื่อยเมือยจนบขาอยากหนใจแต่บังเอิญมาใจแข็งแล้วไหนก็ะโบงูเลยแล้วว่าคิดค้านว่าหันใจแล้วแต่ขน้อยบุญเจ็บแต่มันมือ ไม่เมย์แทมยว่ะพอมันขึ้นึีสิบสองอาจจะเป็นวิบากรรมอย่างของขน้อยกระบอกหูจักหละด็อกเตอร์เซรไท่าไคเซอร์ด็อกเตอร์เราบอเอายาให้ขน้อยเรเขียนยาให้ขาน้อยไปหาดอกเตอร์พนละลงพันรุทพเซ่าพนเราว่าพันเขียนยาห้ขน้อยแล้วเเขียนยาขน้อยทรม เมื่อเข้าจนสิบสองผัวขน้อยละโทรไปหาไคเซอร์ว่าถามเมียถาเมียคยตายในคนชิซู่ไคเซอร์ไปกวดบังลแล้วเพราะเราไ่ได้เขียนยาเขาน้อยยามาทรงคดเทือนเลยหลังจากขน้อยกินย่นยาประมาณอาทิตย์หนึ่งหู้เลยบาโบตายยาเขาเกงอยู่หู้ทันทีว่ามันยืดยืดยื ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดขึ้นทางกายกลินนก่นเขาได้เพราะว่าขน้อยกลิ่นเข้ามาได้เลยดิ มิแต่ห่ากินเขาไม่ได้จ้อยเลยผู้ใดเห็นนังเบี้ขาเจ้าสีฮู้หมดสมัยนั้นพวกพี่แป๊ะน้าอาขาเจ้าซีว่าวเลยๆดอกว่าโอ้ศพต่อไปต้องเป็นนังเบีคือสิบอรอดแล้วโอ้ขน้ยดีใจเขาเจ้าว่าตนวนั้นขาเจ้ามาเล่าให้ฟังหลังจากเดี๋ยวนี้นะเขาเจ้าว่านั่งเบีนี่บอรอดแล้วเพราะว่าผิวพรรณข้าน้อยดำมืดล้วหน้าตานี่ดำคอนี่ยดำมืดละข้าเจ้าว่าโอ้ศพต่อไปเราต้องได้ไปทรงศากดินั่งเบีแล้วเพราะว่าแต่งตัวกระโบขึ้นและเห็นอย่างกระโบได้ละ เออแล้วหลังจากนั้นหันย่างโบเลได้ด็อกเตอร์ให้ ย, ยาหันนี้กินยาอยู่แล้วไปปฏิบัติทำท ำ, ทำเนี่ยนำหลวงพ่อมหาดิเรกเนี่ยตอนนั้นโอ้ยตอนที่วานอันเสียใจยหลายเพื่นได้ไปยกมือไปปฏิบัติทำเพื่อนบอ้หูอย่างเถอ่อนนะกินยาไตร่ด้วยนะ่ะมือนี่สั้นทุดทๆดทุ ด, ท ด, ทดี่นะ่ะมือนี่สัน้นสิเลยเพทยาใส่ปากนี่นะเทใสเทเข้าไปแล้วเข้าบ่วมีอาหารอยู่ยท้องเขาตื่นเต่เด็กอีกปวดหากบินหัวมีอยังโอ้ยขน้อยลําบากไร การยกมือของขน้อยนีซ่าแต่ว่าบุญบุญมีน้อยนึ่งทีว่าขน้อยถือว่าขน้อยแขนกับเจ็บแขนกันกระปุยพรอว่าตีจักรไายไทยปิ้งหลาแล้วแขนนี่ก็ยกหลามาได้ฉะนั้นขน้อยจึงว่าการยกมือของขน้อยแต่ละเทือนี่ข้าน้อยปวดใจมันเสียขน้อยสิโยขึ้นมาว่าขน้อยคึ้ขน้อยกระหู้ขน้อยเพ่งขน้อยกระหู้ขน้อยใส่หู้สึกตัวถ้าว่าโบหู้สึกตัวแล้ว หรือว่าแขนเขาน้อยเจ็บอย่างเมี่ยงเขาได้ชิญย่า ง, อยอยางจุมกลมให้มันได้คุ้มต่อเนื่องฉะนั้นทุกอริยบทการปฏิบัติของเขาน้อยนี่สี่บวับว่ามี่ยงเขาน้อยสี่บัให้มันมันตกมันมันตกหลน่นเพราะว่าเวลาเขาน้อยกันเหลือน้อยเขาบัวหัวเขาจะตายตอนใด <c oughs> แต่หลังจากที่เขาน้อยปฏิบัติทั้งเนี่ยนะได้แค่หกเดือนเขาน้อยไปกวดไตล้อยดรเตอร์สอไตร้อยจากสิบสองนะลงมาโน่ห ม, มู เป็นหนึ่งเท่านั้นในอ o r ม a l ของคนมีไตร้อยมีแต่หนึ่งเปอร์เซนหนึ่ ง, งซือื อ, อขน้อยสิบสองอ่ะไว่าข้น้อยถามด็อกเตอร์เด้อันด็อกเตอร์ขน้อยว่าใตร้อยเนี่อันมันห่าแฮงแบบไดแระวว่าอ normal ห น, หนึ่งสองสามนี่ก็พาะแหงแล้วห้าหกนี่โอ้กระทุลนทุลายแล้วสิบสองคือเจ้าหันตายได้ทุกเวลา โอ้ขน้อยก็เลยเข้าใจลอดตายคุณลอดตายมาแล้วสนั่นขน้อยหูว้ว่าจะโชคดีหน่อยหนึง่งมาได้เจริญมรณสติไปนําเลยว่าความตายเนีน่ยมันยทุกทุกล้มหายใจพระพุทธเจ้าเพิ่นวา่าการเจริญเนี่ยก็มรณสตินี่นะไผบุ้ถามเพิ่งวา่าขน้อยจืดได้แต่นาทีสุดท้ายที่เพิ่งตอบวา่พววาพบว่าเหมืนโควเบ้าข้าน้อยก็เล้อ ย, อยวา่าการเจริญมรณสติทุกล้มหายใจเขาออกเมนแท เขาโบฮู้ได้เขายางออกไปีงูต่อปั๊บตายเลยเด้เขาออกไปปุ๊บโลดเจี๊ยบเขาตายเลยเด้ซะนั่นนะ่ะอย่าซู้ไปถ่าเวลาเถ่าเวลาแก่เจริญมันไวรอดเจริญเจริญสตินุม่มเทไยนะยิ่งดีขน้อยเห็นเด็กดน้อยมาเจริญสติขน้อยอนุมโมทนาสาธุนําเพราะว่าผู้นั้นซินิสติในการเรียนหนังสือแล้วยังโมเล่แล้วสิพ้นจากทุกตั้งแต่อายุยังน้อยอายุห้าสิบปีจึงมาเข้าใจตัวนี้กันยัง เข้าใจดีน้อยทอกไม่ขิดไฟกันยังมีความสุขถ้าว่าปฏิบัติไปโตนี่นะท่านยังบตตายเถื่อนะ่ะก็คือซีมีโอกาสได้เจริญไปโตอีกขน้อยก็ขอเฝ้าใจทอนี่ข้น้อยว่าเรื่องขอโหสิกรรมหลวงพ่ออีกตื้มถ้าว่าเขาปฏิบัติ จ, จิตใจเขาได้แล้วนะพวกที่เป็นพญาติบาทเยานี่นะขน้อยเป็นใตรอยเนาะถ้าเขาปฏิบัติจิตใจเขาได้นี่นะ ่างกายเป็นผลพลอยได้จากที่ว่าหน้าตามืดหน้าตาเอาแต่เรื่องกับผู้อืน่นหน้าตาเง่า ง, งอนมาเป็นหน้าตาเบิกบานแจ่มใสเบิงหน้าขน้อยนี่ซิมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งๆที่ทเรื่องทุกมันมีแต่มันอยู่เรื่องของมันเพราะว่าจิตใจของขน้อยนะขน้อยซิโบมีควมที่ว่าขน้อยบุกเคยเบิงผู้อื่นเลยว่าผิดประถึกโบมีขาอหมายสำหรับขน้อยเสีวหรือดีโบผู้ที่เห็ุเสีวกับโบมีขาอหมายสาหรับขน้อย อาวิซาโบมีความสัวแล้วก็โบอยากเป็นแต่ว่าสําหรับขน้อยเซบาเบิงแต่ตูขน้อยเองบอกขน้อยโบมีความดุถูกเหยียดหยามโบมีความแยกเรื่องอย่างกับผู้ใดเมื่บโมีอคติเลยขน้อยเซมีแต่มิดไมตีมีแต่ความหักความแพงให้ขน้อยเหลียวเบิงผู้ใดก็เป็นเพื่อนที่ว่า อะไรก็ตามถือว่ามีผลต่อการมาพบปะของเราคือการบันดาลของสิ่งที่มีอำนาจหลายๆอย่างทำให้เรามาพบกันแล้วก็ได้ผลสิ่งนี้ก็ขอให้เรารักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เป็นส ม, มุัตตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหลนีให้ติดกายติดใจใเข้มแข็งขึ้นด้วยกันทุกคนทุกท่านที่